ที่ว่าประวัติคติธรรมและปฏิปทาของพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนจากหนังสือพ่อแม่ครูอาจารย์เสนอตอนที่หนึ่งพ่อแม่ครูอาจารย์ ขอให้เกิดซึ่งคนคุณธรรมแม่เลิศล้ำเปี่ยมล้นน้ำนมสีครูประสาทวินัยเป็นอากินอาจารย์ประสิทธิ์สิ้นทุกวิชาหลวงน้ำใจยิ่งใหญ่กว่าทะเลหลวงตาทิพย์กว้างล่วงรู้ทุกอนุหมายมหาบัวมหาบุรุษกู้ชาติให้รอดตายยานสัมปันโนพบสุดท้ายวิมุตติญาณ พระมหาธีรนาทอัคคิโร12สิงหาคมปีพุทธศักราช2551พ่อแม่ครูอาจารย์ชื่อของหนังสือเล่มนี้เป็นบทสรุปที่สุดเห่งคำพูดและที่สุดแห่งการประชาในปิตของสมณะ คำว่าพ่อแม่ครูอาจารย์หรือพ่อแม่ครูจานเป็นท้ายคำสานวนที่องค์พระหลวงตามหาบัวใช้เรียกลงปูมั่นภูริทัตโตซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านด้วยความเคารพรักศรัทธาเลื่อมใส ย, ยิ่งนักคําว่าพ่อแม่ครูอาจารย์หรือพ่อแม่ครูจารจึงเป็นศัพท์ที่พระกรรมฐานท่านใช้เรียกผู้ที่ท่านรักเคารพศรัทธาเลื่อมใสที่สุดสุดชีวิตจิตใจดังเช่น ระกรรมฐานยุคนี้ใช้เรียกองค์พระลุงตามหาบุญญาณสัมปนงว่าพ่อแม่ครูอาจารย์บทว่าที่สุดแห่งคำพูดคือจะหาคำพูดใดๆเทียบเทียมหรือเหมาะสมยิ่งกว่าคำว่าพ่อแม่ครูอาจารย์นี้ไม่มีอีกแล้วคำพูดของท่าน จะเป็นคำพูดยกย่องชมเชยเปรียบเรยหรือห้ามปรางก็ตามล้วนเป็นเสมือนคำพูดคอยชี้บอกทางแห่งคุ้มทรัพย์อันประเสริฐดังเช่นโอวาทของหลวงปู่มั่นที่ให้แก่สิบธในขณะที่กราบลาไปเที่ยวที่ดงว่าไปทำเถอะทำอยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้ปฏิบัติตัวเองให้ดีนั้นแลคือการปฏิบัติพระพุทธเจ้าระลึกถึงท่านด้วยความระมัดระวังตัวให้ดีนั้นแล คือการเลิกถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์พระสงฆ์ท่านปฏิบัติดีอย่างไรเราปฏิบัติดีอย่างนั้นนั้นแหลคือการบูชาพระสงฆ์คำพูดเหล่านี้ยึงเป็นที่สุดแห่งคำพูดบทว่าที่สุดแห่งการกระัำคือ ได้กระทําตามคําสอนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ให้ไว้จนสุดความสา ม, มารถสุดสติปัญญาสุดชีวิกจิตใจแล้วเหมือนผู้พยายามตามสแสวงหาซึ่งขุมทรัพย์อันล้ำค่าที่อาจารย์ชี้บอกแล้วก็พบขุมทรัพย์อันประเสริฐคือทำนั้นด้วยความภาคเพียรพยายามบากบั่นมุ่งมั่นแห่งตนดังนั้นคาว่าพ่อแม่ครูอาจารย์จึงเป็นบทสรุปแห่งคาพูด และการแสดงคาระวะทมอย่างยิ่งใหญ่องค์พระหลวงตาใช้สื่อความหมายที่ออกมาจากหัวใจว่าพ่อแม่ครูอาจาร์มั่นด้วยความเคารพเทิดทูนอย่างถึงใจชั้นใดพวกเราซึ่งเป็นศิษยานุศิ์ก็ใช้สื่อความหมายที่ออกมาจากหัวใจว่าพ่อแม่ครูอาจาร์หลวงตามหาบัวด้วยความเคารพเทิดทูนอย่างสุดหัวใจฉันนั้นเหมือนกันสมดังคาที่หลวงตาพูดถึงองค์หลวงปู่มั่น ผู้ซึ่งเป็นพระบุรพาจารย์ของท่านว่าพ่อแม่ครูจารย์มั่นท่านเป็นทั้งพ่อทั้งแม่เราทุกอย่างรวมอยู่ในท่านหมดท่านให้อัดให้ทมให้คอคิดเห็นที่เป็นสิริมงคลสิ่งใดไม่ดีปัดเป่าออกไปด้วยคาสอนพ่อแม่ครูจารย์มั่นเราเคารพท่านสุดฉีดกราบท่านซึ้งใจไม่มีวันจืดจางเป็นมหาบุญมหาคุณครอบหัวครอบกระมมในหัวใจของเรานี้ มอบให้พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นหมดเลยเราพูดจริงๆในบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายเราไม่ได้ประมาทท่านเราไม่ได้คบค้าสมาคมฝากตนฝากตายสนิทติดจมกับท่านจริงๆเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นท่านเป็นจอมปราดเป็นพญาราชสีเป็นแม่เหล็กเป็นเครื่องดึงดูดเป็นร่มโพล่ร่มใสทําให้เรามีจิตใจประกอบความภาคเพียนเอาเป็นเอาตาย หนักเบาออกมาจากท่านได้รับการศึกษามาจากท่านทุกสิ่งทุกอย่างท่านแนะนำเต็มภูมิและพาปฏิบัติเต็มกำลังทุกด้านสอนละเอียดละอ่อเต็มเม็ดเต็มหน่วยให้ซึ้งถึงใจเราที่สุดก็คือพ่อแม่ครูอาจารย์มัน่นซึ่งพ่อแม่ของเราไม่สามารถที่จะนำมาสอนได้รูปร่างท่านจริงๆไม่โตแต่โตพระคุณธรรมและมารยาทเหมือนว่าไปที่ไหนครับโลกไปเลย หนังสือเล่มนี้จึงเป็นเครื่องส่องแสดงให้เห็นความเอื้ออาทรความจงรกักภักดีความลงใจยันงสุดส่วนต่อท่านผู้มีพระคุณซึ่งสืบทอดกันมาเป็นสายปามนอกจากนั้นยังนำเรื่องที่องค์หลวงตาเล่าให้บรรดาลูกศิษย์ฟังจนเพลินใจมีทั้งชีวประวัติคติธรรมและปฏิปทาจากที่ต่างๆซึ่งเป็นคาสอนและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องที่สุด นำมาร้อยเรียงรวมกันเป็นหมวดนู่ไถ่คําสํานวนของวัจยางเดิมไม่มีการเติมแต่งให้เป็นที่สแสลงใจเพราะแม่ค ร, รูจานจึงเป็นคํำคำรทราบดงใจด้วยความรักเปรียบเหมือนคนหิวกระหายต่างตายระหกระเหินเดินลงป่ามานานวันพรันโชคดีมาเจอผู้มีเมตตาหมาะบุตกะธาราอันสดใสพร้อมด้วยไถ่าคาที่ให้กาลังใจในยามเหนื่อยล้าและหมดหวัง ประกายเห็นความหวังย่อมต้องลุกชดช่วงขึ้นมาในทันใดหัวใจที่เคยเหีเเ่ยวเฉาเหนือล้าแห้งผากมาช้านานปานประเมินว่าจะปริมบานในวันพรุ่งบัดนี้พ่อแม่ครูจาร์ลงตามหาบัวญาณสัมปันโนครบรอบอายุ96สปี ในวันที่12สิงหาคมปีพุทธศักราช2552เป็นผู้เท่าชรามากแล้วยังต้องทําหน้าที่ที่สงเคราะห์ทิวดามนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างหนักพระมหาเทีร์ผู้เท่าปูน่นี้ต้องลำบากตรากตรามอดทนสู้เป็นผู้นําก็ด้วยอาศัยใจที่มีกําลังและธรรมะสุขวิหารเท่านั้นส่วนด้านร่างกายย่อมต้องบอบช้ำเหนื่อยล้าอ่ อ, อนเพลีย หมดเรี่ยวแรงวิงเวียนโซเซสุดที่จะต้านทานยับยั้งขนาดคาบค้ำให้คงทนได้นานองท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าคำสอนของเรานี้เป็นคำสอนที่ตายใจได้แล้วคือ 1. ออกมาจากความประพฤติของเราบริสุทธิ์เต็มที่เราไม่มีอะไรที่ตนิติเตียนตนเอง 2. ทําของเราก็บริสุทธิ์เต็มหัวใจสามารถที่จะสอนได้สามแดนโลกกธาต เราเท่าแก่เท่าไรยิ่งงานยุ่งนะวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ว่างงานยุ่งที่สุดเลยพวกบัวพวกควายแก่แล้วเขาปลดคาดปลดไถข้าราชการแก่แล้วปลดกเกษียณพระนี่แก่แล้วยิ่งใช้ดีไม่มีวันกเกษียณเลยหนังสือเล่มนี้ ยิงสรุปสิ่งที่ถูกต้องและดีที่สุดในประวัติศาสตร์ชีวิตของท่านอีกทั้งเราจะเห็นภาพมุมกว้างแห่งวิถีชีวิตขององค์ท่านได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีเกิดขึ้นระดับลงมีร้อนแล้วก็มีเย็นมีเหตุมีผลมีทุกข์มีสุขมีชีวิตที่เกิดขึ้นท่ามกลางความยุ่งยากและสับสนแต่จบลง ด้วยบรมสุขพิถาวรมั่นคงคือพระนิพพานวิธีจิตเยี่ยนนี้ย่อมควรจะการแท้สองอนุโมทนาสาธุการไปตลอดกาลนานควรนิควรประการใดแล้วแต่เพราะแม่ครูอาจารย์ลุงตามหาบัวจะพิจารณาเพราะคณะผู้จัดทมยกเทิดความเคารพบูชาไว้เหนือเสียงกล้าวแต่ความรู้เท่าไม่ถึงการย่อมอาจมีได้เป็นแน่แท้ นับเป็นเวลาสิบปีมาแล้วที่หนังสือพ่อแม่ครูอาจารย์ฉบับพิมพ์ครั้งที่หนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2541ได้ออกสู่สายตาประชาชนจนกระทั่งถึงปัจจุบันทางคณะสิทธิเห็นว่าสมควรจะ ก, การเวลาที่จะนำเหตุการณ์ต่างๆที่ทรงคุณค่ายิ่งของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัญญาสัมปโ น, โนมาประมวลรวมเล่มให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นหนังสือพ่อแม่ครูอาจารย์ฉบับพิมพ์ครั้งที่สองนี้ ได้เติมเต็มความพิเศษแปลกใหม่จากเรี่มเดิมอีกหลายประการทั้งเนื้อหาสาระการรวมคำสอนชีวิตคตธรรธิธรรมปฏิปทาธรมปฏิบัติและผลงานขององค์ท่านที่เป็นทั้งศาสนาปัชญาและพิธีการครองชีวิตทังโลกและในเพศพรหมจันท์ที่ท้าทายด้วยทมภายในอีกแบบหนึ่งนอกจากนั้นยังได้รวบรวมภาพถ่ายในอิริยาบถสบายๆต่างๆน่ารักน่าเคารพ อันเป็นกิริยาพระอาหารหันต์ดังที่องค์ท่านพูดไว้ว่าไม่ต้องตัดไม่ต้องแต่งองค์ท่านเป็นอย่างใดก็ให้เป็นอย่างนั้นเพราะทุกท่วงท่ากิริยามีแต่เป็นมหาคุณต่อโลกพ่อแม่ครูอาจารย์ล้งตามมหาบวญยานสัมปันโนเป็นพระมหาเทระผู้ทรงคุณธรรมเลิศลำ้ำเป็นรัตตัญูเป็นผู้นําหมู่คณะพระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้อย่างสง่างามไม่ขั้นคร้ามวันไว ในโลกธรรมที่มาถึงเข้ารักษาแนวทางของพระธุดงค์กรรมฐานและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพระกรรมฐานทั่วสังฆมณฑลท่านทาในสิ่งที่บุคคลอื่นทำได้ยากจิตอันใดไม่ว่าน้อยหรือใหญ่ท่านภาคเพียนสู้จนสำเร็จเป็นปาฏิหาริย์ท่านเล่าว่าเดิมจริงๆท่านเคยปรารถนาพุทธภูมิแต่มาพิจารณาเห็นว่าจะเป็นการเนื่อช้า จิงถอนความปรารถนานั้นเสียมุ่งตรงเข้าสู่แดนความทุกข์ในปัจจุบันชาติข้อมูลบางส่วนที่นำมาเพิ่มเติมในฉบับนี้ได้ น, นำมาจากหนังสือหลวงตามหาบัวมาสจาันมหาบุุษผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นหนังสือสื่อบอกเรื่องราวการช่วยชาติของท่านได้อย่างสมบูรณ์ชัดเจน และภาพซึ่งหาดูได้ยากจากหนังสือเหตุผลเหนือชีวิตซึ่งเป็นหนังสือภาพสีสีเริ่มแรกที่ถูกตีพิมพ์ขึ้นแสดงวิถีแห่งธรรมะขององค์ท่านดังนั้นจึงทำให้เราเห็นภาพมุมกว้างทั้งในอดีตและปัจจุบันอันเป็นอัตลักษณ์ขององค์ท่านได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นเรายังจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของโลกของผู้คนของวัดวาอารามแม้ของผู้ปฏิบัติธรรมเอง ซึ่งได้เปลี่ยนไปตามกาลเวลาแต่องค์ท่านไม่ได้เปลี่ยนไปวัดป่าบ้านตากยังคงเป็นวัดป่าบ้านตากองค์ท่านยังเป็นองค์ท่านที่สมถ t h สันโดษไม่ยอมให้วัตถุทางโลกเข้าไปเหยียบย่งหัวใจพระเนรภายในวัดแต่บุคลคลผู้ไม่ได้เข้าไปสัมผัสย่อมไม่ทราบชัดถึงปฏิปทาข้อนี้ท่านได้สร้างเกียรติประวัติไว้ในวงพระพุทธศาสนาตลอดระยะเวลายาวนานถึง74พรรษา แห่งการคล้องผ้ากาศวพัดปฏิบัติธรรมบรรลุผลจนกระทัง่งออกมาช่วยชาติสงเคราะห์โลกมนโนปนิธานขององค์ท่านยังคงเหมือนเดิมจนลมหายใจและร่างกายสุดท้ายมอดไหมก่อนล้วนเพื่อสงเคราะห์ชาติและพระพุทธศาสนาไม่ได้เปลี่ยนไปตามกระแสลโลกที่พัดผ่านเลยแม้แต่น้อยมีแต่แสดงความเป็นผู้เสียสละและมอบให้ไม่รู้จบ ผูเรียบเรียงขอยกตัวอย่างที่เห็นด้วยตา ม, มาแล้วดา ด, ดื่นในด้านวัตถุและคุณธรรมที่องค์พระหลวงตาสมเคราะห์โลกพร้อมทั้งเทวโลกจนระบือรือนามถึงขั้นพระมหาเทระแห่งภาคอีสานคือพระธรรมไตรโลกาจารรักเลวโตยกย่ององค์พระหลวงตาว่าเป็นพระศิวลีในยุคปัจจุบันอันหนึ่งถ้ามองหนังสือเล่มนี้ในภาพรวมทั้งหมดจะเห็นความเป็นเอกภาพ แต่ถ้าจะแบ่งย่อมแบ่งได้สองภาคภาคหนึ่งแสดงเรื่องชีวิตคติธรรมปฏิปทาธรรมปฏิบัติในขณะที่ท่านออกทุดมกรมฐานศึกษาธรรมกับท่านพระอาจารย์มั่นภูริชโตจนถึงการบรรลุธรรมขั้นต้นจนถึงขั้นสูงสุดภาคสองแสดงเรื่องโดยนัยะต่างๆกันหลังจากท่านบรรลุธรรมแล้วโดยแสดงถึงพระคุณของท่านที่มีต่อเราและต่อโลกพร้อมทั้งเทวโลก แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดของหนังสือเล่มนี้ก็เพื่อให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้หลักฐานค้นหาแนวทางปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องเพื่อการค้นพบหลักสัจธรรมโดยเอาท่านเป็นเนติแบบอย่างสร้างกำลังใจในการปฏิบัติธรรมและดำเนินชีวิตเพื่อหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงตามแบบอย่างที่ท่านพาดาเนินพระมหทิรนาศอาคทิโร12สิงหาคม ปีพุทธศักราช2551